ขอความสุขความเจริญจะมีแน่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูตธ์ในวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องใต้ร่มพระโพธิญาณในตอนต่อไปท่นานได้กล่าวมาในวันก่อนว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้สัสรุพระนุตรส ม, มาสัมโพธิญาณและเสด็จประทับอยู่ภายใต้ต้นโพ หรือที่เราเรียกปัจจุบันว่าต้นพระสีมหาโพธิ์ตลอดระยะเวลาเจวันนั้นได้ทรงพิจารณาปัจจัยาการคือปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับเมื่อครบทั้งสองฝ่ายก็จะเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็พิจารณาต่อไปต้องฝ่ายเกิดและฝ่ายดับ ก็จะเปล่งพุทธอุทานอีกครั้งหนึ่งก็ยกมาพิจารณาในรอบที่สามแล้วก็เปล่งพระพุทธอุทานอีกครั้งหนึ่งจึงรวมเป็นพระพุทธอุทานสามครั้งด้วยกันในพระพุทธอุทานทั้งสามครั้งนั้นเป็นการแสดงถึงความจริงที่พระองค์สัสรูม้มา และเป็นความจริงที่อาจจะคืดเกิดขึ้นแก่ใครก็ได้ที่ผ่านขั้นตอนการประพฤติธปฏิบัติมาอย่างที่พระองค์ได้ทรงประสบมาด้วยปรงเองหลักปฏิยาการในหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นก็ได้สรุปมาให้ฟังโดยย่อเมื่อวันก่อนแล้วแต่เนื้อหาประเด็นสำคัญ ของแต่ละข้อนั้นก็ควรจะทำความเข้าใจจากที่มาต่างๆได้โดยเฉพาะในด้านของอวิชานั้นซึ่งถ้าเรามองในรูปของสัตยธรรม3าคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเอความไม่รู้วิชาของบุคคลส่วนมากนั้น อวิชชาของคนส่วนมากนั้นก็คือความไม่รู้จริงๆประเภทที่เราเรียกว่าอันถานรือทั้งมืดทั้งบอดในด้านสติปัญญาแต่ระดับหนึ่งเป็นความรู้ที่ไม่จริงซึ่งหมายความว่าเป็นความรู้ระดับปริยัติตเดี๋ยก็จริงก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ตำนองกับการรู้ตําราอาหาร รู้ตำราสร้างบ้านแต่ไม่ปรุงอาหารไม่สร้างบ้านขึ้นมารับประทานหรืออยู่อาศัยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ตรรู้ในชั้นของความรู้ตามหลักของพระสัท ธ, ธรรมสามนั้นคือจะต้องเกิดขึ้นมาจากหลักของการศึกษาแต่ในชั้นของการศึกษาก็ยังมีการพินิจพิจารณา จะต้องต้องผ่านการกลั่นกรองการพินิษพิจารณามาจนถึงการลงมือประพฤติธปฏิบัติและลงมือประพฤติธปฏิบัติมันก็ผ่านความรู้อีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าปาญญาปริญญาคือรู้ด้วยการรักนี่คือชื่อว่าเป็นการขจัดอวิชาได้จริงเป็นการขจัดได้ไปในแต่ละจุด แต่นั้นเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงพระองค์เองก็รับสั่งเล่าในแนวนั้นเช่นทรงแสดงว่าในปฐมมยามก็ได้บรรลุปุเพในวาสานุญาณคือระลึกชาติได้โดยลำดับตั้งแต่ชาติหนึ่งเป็นต้นไปแล้วก็จนไม่มีที่สิ้นสุดทรงใช้คำว่าอวิชาในเรื่องนี้ดับไปวิชาเกิดขึ้นก่อนฮะวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปหมายความว่าในขณะนั้นเฉพาะจุดนั้นอวิชาก็ดับไป เมื่อวิชาบังเกิดขึ้นคือประยานบังเกิดขึ้นในจุดนั้นแล้วก็มีลักษณะที่เรามองเป็นรูปธรรมก็ทำนองว่าเราไฟไปจุดไปในจุดใดจุดหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดในจุดนั้นก็หายไปแต่เราก็ไปจุดในจุดอื่นอีกความมืดในจุดนั้นก็หายไปอีกเพราะแสงสว่างไปเกิดขึ้นเวลาพูดถึงประยานข้อที่3ก็รับข้อที่สก็รับสั่งเช่นเดียวกัน ว่าพระองค์ระลึกถึงความแตกต่างของคนและสัตว์ทั้งหลายในโลกได้ว่าเป็นไปตามกรรมวิชาในส่วนนี้ก็เกิดขึ้นแล้ววิชาก็ดับไปแสดงเห็นว่ า, าวิชาในส่วนความแตกต่างของคนและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้คือกครอบงำใจของบุคคลอยู่ตลอดการแสดงออกของบุคคลในสังคม ที่มองกันในแง่ของสังคมคือวิเคราะห์พื้นฐานทางสังคมที่จะดีวิวัฒนาการตลอดจงการดูดวงดูหมอหรือผ่านนาทีเป็นต้นนั่นก็เป็นเรื่องของอวิชาเพราะพยายามที่จะมองให้เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นมาจากเหตุปัจจัยภายนอกเป็นประการสําคัญพระพุทธเจ้าก็ทรงสร้างพยานข้อนี้ให้บังเกิดขึ้น อวิชชาในเรื่องนี้ก็ดับไปและพอมาถึงประยาณที่สามันก็พูดถึ ง, งนั้นเหมือนกันว่าอาวิชชาในอาสวัคยานในในอาสวะทั้งหลายนั้นได้ดับไปเพราะว่าวิชาในประญานที่ทําให้อาสวะหมดไปบังเกิดขึ้นดังนั้นอวิชชาที่อยู่ภายในใจของคนเราที่ mm. เมื่อแบ่งโดยลําดับแล้วก็จะมีอยู่หลายลําดับลำดับแรกก็คือมืดบอดจริงๆอย่างที่ว่ามาแล้ว คือแยกไม่ออกระหว่งางสิ่งดีกับสิ่งชั่วหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์ตำนองพวกกินมังคุดทั้งเปลือกคือแยกอะไรไม่ออกเลยมันก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยตอีกชั้นหนึ่งก็พอแยกได้ในเชิงของปริยัติแต่ก็จริงตัวเองก็ละไม่ได้่างคนสามารถจะชี้แจงโทษของการพนันโทษของการควบคุชั่วเป็นมิตรโทษของการดื่มสุราได้ ให้บุคคลอื่นเข้าใจมีความชอบซึ่งจริงตราแต่ก็จริงตนเองก็เลิกละอะไรไม่ได้แสดงว่าอาวิชายังกลุ่มรุมใจอยู่ในชั้นหนึ่งติชั้นหนึ่งนั้นสามารถปฏิบัติไปได้แล้วก็สัมผัส ผ, ผลได้จริงๆวิชาเกิดขึ้นในจุดนั้นจริงแต่ยังมีอวิชชาในส่วนอื่นอยู่ ทำนองว่าเราจุดแสงสว่างขึ้นในจุดหนึ่งมันก็สว่างในจุดนั้นแต่มีความมืดอยู่อีกส่วนหนึ่งพอถึงตัวรู้จริงๆมันก็เป็นการรู้ที่สมบูรณ์คือที่ทรงใช้คำว่าเหมือนพระอาทิตย์อุทัยคือกระจัดความมืดให้หมดไปฉะนั้นดังนั้นลักษณะของธรรมะจึงมีความขัดเกล่ คือเราขัดกเกลาร์อวิชชาไปได้โดยลําดับวิชาก็เกิดขึ้นโดยลําดับเหมือนกันตามสัส่วนที่เราได้ขัดเกลาได้ทํานองจุดแสงสว่างขึ้นเหนือความมืดมันก็หายไปโดยลําดับอวิชานั้นโดยหลักที่ทรงแสดงไว้แล้วมันจะมีเพียงสี่ข้อคือไม่ไม่ไม่ต้องเอาถึง8ข้อก็ได้เถื่อเอาเพียงสี่ข้อมันก็คือกัน คือไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคแต่บางคราวก็ส่งเอาทั้งแปดเลยคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้ในกฎปฏิจจสมุปบาทซึงกรนีท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเอากระจิงอริยสัจสี่นั้นเรารู้พอฉั้นนี้ก็ยังมีอวิชชาอยู่เพราะรู้แบบปริยัติพะฉั้นที่สอง ก็สามารถจะพิจารณาเห็นได้นะแต่ก็ละเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้เพราะปฏิบัติมักยังไม่ได้สมบูรณ์ก็ยังถือว่ามีอวิชชาอยู่เหมือนเดิมแต่ก็จางลงไปเท่านั้นเองมีหลักในการคุ้มครองชีวิตจิตใ จ, จของตัวเองได้พอถึงอีกชั้นหนึ่งบุคคลก็จะลดละไปได้ในชั้นนั้นๆให้เราลองสังเกตว่ากิเลสที่พระโสดาบันละได้นั้นเป็นพวกอวิชชาตอนต้นอวิชชาประเภทยา คือสักกายติติความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาพวกเราพวกเขามันก็วิชาชัดๆประแด็นแท้จริงไม่มีทั้งเราทั้งเขามันสักแต่ว่าเป็นการเกาะกลุ่มเข้าของขันธาตุอายตนะก็สมมติบัญญัติกันว่าคนประสัทตานั้นเองความเป็นคนเป็นศัตว์เป็นเราเป็นเขาจึงเป็นความจริงชั้นสมมติแต่ความจริงที่แท้จริงแล้วไม่มีทั้งเราทั้งเขาดังนั้นพระสวัสดิบาลก็เริ่มขจัดพวกวิชา พอมาถึงสั ก, กยาติติวิจิกิจฉาก็คืออวิชชาอ่อะอวิชชาที่ออกมาในรูปของความฟุง้งซ่านความสงสยัยความเครือบแครงความไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้สับสนในด้านความคิดแล้วก็ศีลพัตตปรามาตถึงเป็นข้อที่สท่านจะเห็นว่ามันก็เรื่องของอวิชชาการถือมั่นโดยศีลโดยวัยด้วยข้อปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่จะต้องปฏิบัติอย่างนี้ จึงจะถูกต้องต้องสัมมาอาระหังจะต้องยุบหนอพองหนอจะต้องพุโทโธอะไรแ่หนนี่ยังเป็นศีรับพัตตบรมาตอยู่นะคือถ้าไปยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่แล้วทั้งหมดนั้นเป็นศีรับพัตตบรมาตทั้งหมดเลยพราะแท้จริงแล้วเรานั้นเป็นเพียงวิธีถานนั้นเองซึ่งใครจะอาจจะอาศัยหลักวิธหลักใดก็ได้วิธีใดก็ได้ปฏิบัติแล้วเกิดความสงบก็ถือว่าใช้ได้ แม้แต่การาปักใจในแนวคือยึดถือยึดติดในอาจารย์อของตัวเองในอำนาจของตัวเองมันก็ยังยังเป็นศีลับพัตตระมาตโตเพราะในศีลับพัตตรามาตมันลึกมากอาวิชชาในลักษณะ น, น, นี้ท่านจะเห็นว่ามันลึกมากบางทีมันละเมียดระไมจนเราดูไม่ออกเลยมันเป็นศีลับพัตตระมาตหรือไม่แต่แท้จริงก็ยังเป็นศีลับพัตตระมาตอยู่แท้จึงเป็นอวิชชาที่มีความประนีตขึ้นกว่าสองข้อแรกประของแรกเป็นเราเป็นขอมันดูได้ง่าย เรียกเราเรียกเขาพ็ถอนออกไปมันก็ละได้วิจิกริยาปรากฏแก่ใจชัดแต่ตรราาศีลับตารมาสบางทีเราไม่เข้าใจนะมันถึงฌานแล้วบางทียังเป็นปรราาศีลับตาบรมาสอยได้เลยถึงฌานแล้วอย่างนี้จุดแล้วจบแล้วอย่างท่านอาลาดาบทุทุกดาบท่านก็ยังติดเดี๋ยวสีลับตาบรามาสคือเท่านี้ท่านบอกว่าแค่นี้ก็จบแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ติดท่านบอกอันนี้ไม่ไม่ใช่ยังมีอีกข้างหน้าพระพุทธเจ้าก็ถอนถอนมันก็ละไอ้ส ก, กายยติที่เอีลัตรบตารมมาสในส่วนนั้นได้ นี่เราจะเห็นว่าอาวิชาบางอย่างนี่มันมันมันเหมือนวิชาคือมันเหมือนวิชาจนจนเราหลงทางได้ในการประพฤติปฏิบัติมันมีความละเมียดละไม่มากคือสวยงามจนจนเราหลงทางพวกศสีรัตประรามาต์เลือกซึ้งมากคือคือคืออย่างพระสมัยก่อนพระก็สมัยไหนๆก็ตามนี่เยอะเลยติดฌานนะฮะปัจจุบนันก็เยอะเออโบติดฌานติดฌานติดอยู่ตรงนั้นเพลินอยู่ตรงนั้น สุกที่สุดแล้วมันก็เป็นสิรพัตธรมาต์ชั้นหนึ่งนะฮะแต่เป็นชั้นที่ประณีตเพราะงั้นพวกนี้จึงไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกขติพวกสังโยชน์ไม่ใช่เหตุเหตุแห่งทุกขติเพราะบางอย่างมันก็อยู่ระดับระดับที่ดีแล้วนะฮะระดับที่ดีชั้นหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเป็นประตูอ่าเป็นกําแพงขวางกั้นมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองพระเจ้าไม่ได้แสดงในรูปของทุกขติครับเพราะว่าปฏิบัติไปในชั้นศีลชั้น ชั้นทานชั้นอะไรธรรมดาธรรดาก็ไปได้ทั้งหมดเป็นเราเป็นเขาในพวกเราพวกเขาก็ช่วยกันสามาคัคคีการช่วยเหลือในกิจการงานกันมันก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะทีเรื่องเสียหายเรื่องดีจะได้ทำแต่ว่าดีระดับโลกียะดีระดับโลกียะทวนการกรัจจารวิชา จ, จริงๆนั้นมุ่งระดับโลกุตระเป็นการพูดคนเรื่องกันคนละชั้นอย่าให้เกิดความสับสนนะฮะให้เกิดความสับสนความเป็นเราเป็นเขาต้องมีในชั้นโลกย่าที่มาเคยยกตัวอย่างนะฮะว่าเอตังมะมะเอสวมัมธมิ ตัวอย่างไอ้นั่นของเรานั่นเป็นเราที่อาหารการมังการเป็นเราเป็นของเราเนี่ยในชาติโลกเราต้องมีนะถ้าไม่มีเป็นเราเป็นของเรากชาติบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครคิดรักษาชาติบ้านเมืองก็ชาติบ้านเมืองไม่ใช่ของเราก็จบต้องรักษาระดับโลกต้องมีหมดครอบครัวของเราลูกของเราสามีของเราต้องรับผิดชอบบ้านเรือนของเราพระาศาสนาของเราต้องของเรามีหมดแต่ไม่ใช่ว่ายึดมั่นจนหลงงมงายจนคลั่งคลาย นะศาสนาของเราแต่ไม่ใช่ครั่งศาสนาชาติของเราแต่ไม่ใช่ครั่งชาติพอถึงจุดไอ้เข้มข้นสูงเป็นอันตรายนะต้องยึดถืออยู่ในระดับหนึ่งก็ทํานองที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าราคะราคาโะโลภโทสะโมหะราคาโะโลภโทสะโมหะถ้าระดับโลกต้องมีร ะ, งมระดับโลกต้องมีกิเลสทั้งสี่กองนี้อยู่จริงๆก็สามกองนะกองชุดแรกมันแยกตัวไป เพราะระดับราคานั้นคือการคลองเรือนเรื่องเพศฮะราคานี่คือเรื่องเพศน้อยไปก็หลุดออกไปนะเลิกกัร น, นะแล้วก็มากไปก็เลิกกันเหมือนกันมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้ต้องอยู่ระดับดีระดับพอดีพอดีถ้าแรงไปก็อยู่ไม่ได้ระดับโลภะก็คือเรื่องเศรษฐกิจแต่ถ้าโลภมากเกินไปปลามีเท่าไรจับหมดไม้มีเท่าไรตัดหมดแร่มีเท่าไรขุดหมดบนรลชาติบ้านเมืองอยู่ไม่ได้โลภจัดเกินไป แต่ถ้าไม่โลภอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยจบเหมือนกันจบเหมือนกันคือไม่ไม่ไม่ต้องการพัฒนาสร้างสารรค์อะไรเพราะงั้นไอ้พวกนี้มันก็คือสายเศษรษฐกิจนะฮะโลภะนี่คือเรื่องเศษรษฐกิจแต่พระพุทธเจ้าก็คุมทิศทางให้ได้มาในทางที่ชอบทำโลภะยังมีเรียบร้อยนะฮะไม่ได้หายไปไหนเลยแต่อยู่ในปริมาณที่เราคุมมันไม่ใช่มันคุมเราให้ท่านลองสังเกตถ้าโลภะคุมเราแล้วชาติบ้านเมืองจบไป คนนี้จะตัดไม้ทําลายป่าจะล้างพนานสัตว์น้ําจะทําลายไปถึงปลาทูวางไข่ประจับแหลกเลยเอาไขา่ขายด้วยเอาตัวขายด้วยจบบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ลูกหลานจะไม่มีสมบัติไว้เลี้ยงก็คุมโลภะนะที่จริงกันคุมโลภะอยู่ไม่ได้ว่าอะไรโลภะยังมีแต่ต้องคุมไว้โทสะก็คือความกระจับกระเชงว่องไวปัดเปรี่ยวกันตัดสินใจแก้ไขปัญหาทิศเป็นลักษณะทางการเมืองรัตศาสตร์ต้องมีโทสะมีความฉับไวในการแก้ปัญหาต่างๆ แต่โทรศบ้างไปได้ไเดียวก็ยกบ้านเมืองไปยึดคนนั้นยึดคนนี้อย่างเวียดนามโซเวียตมันทำเนี่ยโทรศมากไปไห น, นโทรศัพท์มากโมหะมา ก, โ, มามากโลภะมากอันนี้มากมากไปหมดเลยมารุมมาตุ้มกันเต็มหัวเลยโมหะมันก็คือเรื่องวิจิตสินประนิสินสุนทรียภาพต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะฮะมันเป็นอาการของโมหะแต่มันคุ้มหอมันหล่อเลี้ยงโลกเอาไว้ถ้าเราไม่มีโมหะเราโลกมันก็ไม่วิจิตพิจารนะ โมหะมันหล่อเลี้ยงเอาไว้นะเหมือนกับพระพุทธเจ้าจึงอุปมาอีกอย่างหนึ่งว่าโมหะนั้นเหมือนกับฟองไข่ฟองไข่ไขที่มันหล่อเลี้ยงความเป็นลูกไก่เอาไว้ความเป็นลูกไก่ว่ามันก็หล่อเลี้ยงเอาไว้ในกระเป๋ะฟองนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อเราทําลายกระเป๋ะฟองได้มันก็ออกมาจากของมันเป็นอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งระดับหนึ่งเป็นหล่อเลี้ยงโลกนะพวกอวิชญานั้นหล่อเลี้ยงโลกเอาไว้าคนก็อยู่ด้วยความอวิชชาแต่ว่าอย่ามืดบอดตื้นนะคือมันต้องเห็นหนทางในการดําเนิน นี่ก็คือโลกเราก็มีปัญหาเรื่องคู่ครองนะฮะเรื่องเศรษฐกษิจเรื่องการเมืองนะเรื่องศิละปะขนบมรำเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆกิเลสมีเรียบร้อยนะมีเรียบร้อยแต่ไม่รุนแรงมีข้อแม้อยาให้รุนแรงแต่รุนแรงแล้วมีปัญหาหมดทุกจุดเปิดกันที่แต่และจุดที่เกิดความรุนแรงก็เพราะมันแรงเกินไปนะแสะดงว่าความเข้มข้นของวิชาเก่สูงเมื่อไปสูงก็ไปเติมไอราคะให้สูงไปเติมโทรศัพทให้สูงไปเติมโมหะให้สูง เติมเพื่อนก็สูงหมดเลยเพราะอาวิชชาแก่สูงเป็นเหตุพระพุทธเจ้าก็สอนให้บรรเทาอาวิชชาอยู่ระดับใดระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดนะโยนิโสมณัสสิการโยนิโส ม, มนัสสิการอย่างน้อยที่สุดจะคุ้มครองตัวเองได้แต่ว่าคนเราตราบใดที่ยังไม่สามารถเกิดญาณสามขึ้นมาได้ตราบนั้นยังมีอวิชชาอยู่นะฮะยัมีอวิชชาอยู่ซึ่งหมายความว่าถ้าอวิชชายัางอยู่แล้วส่วนอื่นต้องอยังอยู่แน่นอนเพราะวิชาเป็นต้นข้าวของกิเลส ทวโลภะโทสะโมหะก็ต้องมีแน่นอนตกลงอวิชชาก็คือความไม่รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงนะฮะตามความเป็นจริงในที่นี้หมายความว่าต้องรู้ด้วยญาณเลยแต่ถ้ายังไม่ถึงระดับรู้ด้วยญาณก็ยังเป็นความรู้ที่ไม่จริงเพราะความรู้เรามีอยู่สามชั้นนะฮะชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าญาตะปัญญาอย่างพวกอย่างที่เรารู้เราเรียนกันนะฮะอย่างที่พูดได้เทศได้เอามาบรรยายได้นะฮะที่จริงยังรู้ยังรู้ไม่จริงนะฮะเนี่ย อาตมาต้องอ้างพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยพระอาตมาเองไม่รู้จริงเวลาคนบางคนไปพูดแหมธรรมะเจ้าคุณโสพลดีคงไม่แช้ของอาตมานละ้วขี้กรากขึ้นหัวของพูดจ้างนั้นนองจะพูดของอาตมามาไม่มีหรอกของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราทําหน้าที่เป็นทูตอ่านราชสารเท่านั้นเองเพื่อมายังไม่รู้จริงเพราะต้องรู้จริงต้องรู้แบบพระอริยบุคคลท่านรู้แต่เรารู้ในเชิงปริยัตรู้ในเชิงวิเคราะห์วิจัยรู้ในด้านความคิดส่วนไอรู้ขนาดทําลายวิชาเรายัางไปไม่ถึง ก็คงอีกนานนะฮะก็อยู่ช่วยชาติบ้านเมืองกันไปก่อนคนระับแต่ยังไงก็ตามให้เราอยู่ในจุดที่เราคุมเขาได้พอมาถึงพวกระดับนี้ระดับปริยัติระดับหนึ่งก็เรียกตีระนปริญญาคือต้องคิดเอามาตรายจองเปนิดพิจารณาท่านจะเห็นว่าเราดูตัวทุกตัวเดียวตันนี้ ทุกมาพิจารณาตัวทุก์ก็จะเห็นทุกข์ที่มันมันมันเกิดขึ้นดับตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาโดยเหตุปัจจัยดำรงอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเรามาสรุปแม้แต่ขนาดจิตเนี่ยขนาดจิตท่านจะเห็นว่าลมหายใจเข้าออกเราดูลมหายใจก็ออกพระเจ้าสอนในเรียนที่ลมลมม like ัอนอ ก, stream, ก, ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดเกิดก็คือเกิดฮะตั้ง ก็เครื่องเรื่องเดียวกันนะฮะท่านจะเห็นว่าเราเรียนเรื่องเดียวกันแต่ว่าเอาทุกนั่นเอาตัวใหญ่ขึ้นมาพูดเลยพอมาถึงงั้นี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทียิบเลยแล้วเราขยายโลกทั้งมวลกว้างออกไปโดยพื้นฐานเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเกิดแก่เจ็บตายพื้นฐานเดียวกันแล้วมองโลกทั้งโลกอยู่ในจุดเดียวกันเหมือนกับเอามาขามป้อมาบางไว้ในขวามือเนี่ยพระเจ้าเห็นโลกทั้งฝ่ามือเลยว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นโลกกระทั้ คือท่านที่ยังมีอวิชชากับท่านที่ไม่มีอวิชชาจึงไม่เหมือนกันอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงว่าเอถะปัสสะที่มังโลกังจิตังราเจระถูปะมังยัตถบาลาววซีตันตินติสังโควิชานตังสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชาติรสสวยงามภัยจิตพิสดารเลยนะฮะแต่ว่าคนในโลกมีสองพวกพวกหนึ่งเป็นคนข่าวพวกหนึ่งเป็นผู้รู้ ที่พวกคนเขาคล้องอยู่ติดอยู่ของเราข อ, ของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราแต่พวกผู้รู้ไม่คล้องพวกผู้รู้ก็กอยู่ในโลกนี้นะพวกไม่รู้ก็อยู่ในโลกนี้แต่ต่างกันเฉพาะนั้นเท่านั้คือผู้ไม่รู้นั้นยังคล้องอยังติดของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่แต่ท่านผู้รู้ท่านไม่คล้องไม่ติดก็อยู่ด้วยกันในโลกนี้แหละไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็คือคือคืออะไรคือการมองเห็นโลกตามความเป็นจริงที่จริงไอ้จุดการเรียนนะฮะอย่างที่พายก ยกตัวอย่างให้ท่านเน้นได้ง่ายๆก็คือเราเหมือนกับเราเรียนแม่แม่แม่กลมแม่เคยแม่ ก, กบแม่กดอะไรเนี่ยนะฮะเราเรียนแม่มันแล้วต่อไปไม่เจอเท่าไหร่ก็อ่านได้ด่าไปหมดเลยเรียนแม่มันเสร็จแล้วอ่ า, อ, าอีเรียนมาเรียบร้อยแล้วไปเจอตรงไหนอ่านได้ทุกทีเลยเพราะงั้นถ้าเราเรียนให้เกิดแก่เจ็บตายได้เรารู้ เ, เกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้อะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขยายใหญ่ยังไงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม่จักรวาลสากลจักรวาลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แต่ทีนี้องค์ประกอบของส า, ารกลจัจกรวาลมันก็มีองค์ประกอบที่แข็งแกร่งกว่าของเรานะเพราะฉั้นเราตายก่อนส า, า, ากลจักรวาลนะแล้วเราก็เกิดซ้ำๆซ้อนๆในสากลจักรากวาลแต่สากลจักรากวาลเองวันหนึ่งแกก็ต้องแตกดับไปตามเหตุปัจจัยนี้ก็คือความรู้ในชั้นที่ละปล่อยวางได้ท่านเรียกว่าเป็นปหาหนะปริจาความรู้ระดับยานนะอย่าลืมเรื่องความรู้ระดับยานปัญหาบางอย่างที่เราเกิดความคล่องใจสงสัยขึ้นในใจชาวพูดเป็นนันมากนั้น ก่อนเราอภิปรายกันที่นี่ก็มีนักวิชาการสองท่านซึ่งซึ่งน่าชื่นชมนะฮะทั้งสองท่านท่านหนึ่งท่านแสดงให้เห็นว่าพระพุทธจิราบางอย่างหรือปาฏิหาริย์ที่ปรากฏขึ้นในพุทธบัตรบางอย่างนั้นก็อาจจะตีความได้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เชื่อแต่ว่าหมายความอาจจะตีความได้อย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่สมัครใจจะเชื่ออย่างนั้นแต่อีกท่านผู้หนึ่งท่านบอกไม่ได้ เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงถ้าเราเข้าไม่ถึงต้องว่าอย่างงั้นแล้วเมื่อปฏิบัติถึงไปก่อนแล้วค่อยพูดกันทีหลังสิ่งอะไรไม่ถึงอย่าไปวิจารณ์อย่าไปตีความเราตีความไม่ได้นี่ก็แสดงว่าเป็นนักวิจ า, ารณ์ทนดีเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์นะแต่ว่าท่านท่านเป็นคนที่ที่เคารพมากที่เคารพหลักของพระพุทธวัฒนะมากเพราะอะไรเพราะว่ามันมีลักษณะคือสัมพันธ์กับญาณ สันสัมพันธ์กับยานถ้ายานไม่มีก็ก็ไม่มีแค่ความความรู้ความเห็นอย่างนี้ก็ไม่มีแต่ถ้ายานมีความรู้ความเห็นก็ไ ม, ม่ีเพราะงั้นคนระดับยานจึงไม่เทียงกันพระญาบุคคลสมัยพุทธกาลในเกื่อนบ้านเกลนเมืองนะท่านไม่เถียงกันเลยนะไอ้คนที่ ท, ที่ที่ไม่ไม่ถึงระดับยานคือหมายความว่าไม่รู้แต่ดันชี้นี่ที่มันยุ่งอะที่มันยุ่งกันมา ก, ม า, กมายไกลกองแอนนี่คือไม่รู้แต่กระชี้แต่ถ้าพวกรู้ท่านชี้จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะท่านชี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นระดับทั่ ว, วไปจึงยังมีอวิชชาเมื่อเรายังมีอวิชชาทํำยังไงเราจึงจึงจะมีหลักเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวบางปัญหาอะไรก็ตามที่เราจับหลักไม่ได้นะครับโดยจะเกิดความสับสนเราจับหลักพระพุทธเจ้าไว้เมื่อวานเนี่ยมาไปเมื่อคืนเนี่ยพระก็ลากให้ไปช่วยอบรมเขาตั้งสองชั่วโมงครึ่งเมื่คืนคืนนี้ก็ขอต่อย เอามาก็บอกวันนี้ให้เราจับหลักเดียว่าสมมุติว่ามีใครพูดเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์เองเรื่องพุทธเจ้าไม่ฉันเนื้อสัตว์พระอาหารทั้งหลายไม่ฉันเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่รู้นะครับพอเราเกิดไม่ทันนะแต่เรามองหลักที่หลักมันอยู่ตรงไหนทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายนั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินยัยนั่นไม่ใช่คํำสอนของพระพุทธเจ้าเฮ้เจ้าว่าไปเลยบอกไปเลย ทีนี้อาการที่เราไปเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมันเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายเราก็ดูสภาพตัว่าเราเดินบินธบาไปแถวบางลำพูนายอมตักนั่นนยมมีปลาเค็มตักปลาเค็มมีผักตักผักมีเครื่องกระป๋องตักกระป๋องพอเขาตึงตักปลาเค็มอาัตามาไม่ชัดปลาเค็มเราก็ตักหมูอัตามาไม่เอาหมูเอาอะไรทีทีนี้ยุ่งอะไรทีทีนี้มันเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายฮะเราก็เห็นภาพทันทีเลยว่าไอเนี้ยไม่ใช่ทํามไม่ใช่บินัยไม่ใช่คาสอนของพพุทธเจ้า เราจะไปยืนยันองค์พระพุทธเจ้าเองไม่ได้พระองค์นี้ผ่านไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยพุทธกาลนิ้ผ่านไปแล้วแต่เรามีหลักเนี่ยเรามีหลักพระพุทธเจ้าวางไว้ให้เราแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือมวินิจฉัยตัดสินนะนี่ก็คือจะทําให้เราไม่ตกไปวิชามากเกินไปนะในชั้นของถึงใจสนาคมไม่ใช่ชั้นของระยะบุคคลแต่ถ้าชั้นระยะบุคคลแล้วจะต้องเป็นญาณอย่าลืมว่าท่านที่รู้อวิชานั้นต้องผ่านอริยสัจทั้งหมด เดีย๋ยวขอให้โยมจับประเด็นเข้าใจเรื่องธรรมะโยมอย่าไปคิดเรื่องมากนะฮะธรรมะอย่าอย่าคิดว่ามากแท้ที่จริงแล้วเป็นองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในลักษณะจะดึงส่วนอื่นเข้ามาได้หมดเลยธรรมายกตัวอย่างว่าอิทธิบาทสีโยมจําได้นะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะอิทธิบาทสี่พอโยมเริ่มฉันทะปั๊บฉันทะเกิดสัมมาสังกัปปะเกิดสัมมาสังปาในองค์มากเกิดเห็นไหมศรัทธาในสัตทินรีในในอินทรีเกิดศรัทธาพร ะ, ระในพระห้าเกิด เกิดหมดเลยเชื่อมหมดเชื่อม อ, รอารยมร์เชื่อมโพธิปัจญาธรรม37มสหมดพวิริยะสันทะพวิริยะเกิดวิริยาเกิดก็วิริยินทรีเกิดวิเรยาพูดชงเกิดแล้วก็อะไรวิริยาภลาะเกิดสัมมาวายามะเกิดหมดกินแล้วกินเรียบหมดโยมอย่าไปกลัวจํานวนนะฮะในเชิงปฏิบัติแล้วอย่ามาบอกว่าเหยียดมือครั้งเดียวเป็นธรรมะเป็นสิบ ส, บสบอย่างเงี้ยธรรมะเป็นสิบ ส, บสบอย่าไปคิดโอ้โหทําไมมันมากมากแกก็ไม่ได้มากอย่างนั้นหรอ มากอย่างนั้นเวลาปฏิบัติแล้วจะเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอถึงจิตตะมันก็มีอะไรนะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสังกัปปะตัววิมังสาก็มีมีอะไรมีปัญญินตรีมีปัญญาบุญละมีธรรมวิจยะมีอุเบกขาสัมโพชฌมีสัมมาจิตจิสัมมาสังกัปปะก็เองไปเองเข้าทางหมดแล้ว ป้อนองคธรรมอย่าไปนับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวจํานวนองธรรมองค์ธรรมที่จริงนั้นเป็นโวหารและเทศนาเท่านั้นเองต่อเวล า, ราพระเจ้าพูดสั้นสั้นเป็นอั ป, ปมาต ธ, ธรรมข้อเดียวกนะ็เดียวแล้วแล้วทำไมโน่นตั้งสาพวจโจงแอพวจโจงทั้ง37จะไปไหวไปลายไหวขึ้นที่อั ป, ปมาตถได้ก็ไปไหวมาหมดเองดูดกันมาเป็นแถวมาเลยมาตามสายของเขานะแล้วก็ไม่ใช่ดูดในลักษณะเป็นสายนะฮะดูดในลักษณะเป็นใยแมลงมุมเลย มันจะโยงกันมาเป็นตับเลยโยงกันมาเป็นตับโยมลองดูกันแล้วกันที่เคยอุปมาว่าเหมือนกับฝนตกน้ําไหลลงมาเนี่ยมันจะเต็มกันมาเป็นแถวมาเลยหลายบ่าแล้วก็ตรงนั้นเต็มไอ้ไอ้ลำธารข้างบนเต็มแล้วคลองเต็มบึงเต็มหนองเต็มแม่น้ําเต็มทะเลก็เต็มขึ้นไปการเป็นแบบธรรมมีลักษณะมันโยงแบบสายใหญ่มาแหล่งมุมไม่ใช่โยงแบบเป็นสายเป็นสายจริงจริงที่จริงมันโยงหมดนะ คือถ้าลดก็ลดหมดถ้าเพิ่มก็เพิ่มกันหมดเพิ่มกันมาเป็นเออท่วมท้นกันมาเป็นแถวแบบน้าทะเลมันหนุนขึ้นมา้นตกมันก็เออขึ้นมาเป็นแถวไปเลเราลองดูจะขึ้นตรงไหนฮะเช่นว่าความโลภก็เกิดสมมติว่าความโลภเกิดพอเกิดมากขึ้นเนี่ยฮะความโกรธก็เกิดพอตีกลับปั้งอีกทีนะเกิดเพื่อความโกรธสมมติว่ารักมากโกรธมากเอาลองลองดูนะมันมันคล้ายๆกระลป้าบอลนะป้าบอลปลาแรงก็เด้งกลับแรงตีกลับแรงป้าเบาก็ตีกลับ พอความโลภจัดความโกรธก็จัดความโกรธจัดก็แสดงมาหลงจัดเพราะฉะนั้นบางครั้งคนจึงปล้นทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ปล้นทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์บางทีเผาบ้านก็เลยอันนี้อันนี้หมดทางเลยคือทั้งโลภทั้งหลงเต็มหัวทั่วหัวหมดเลยโดยแกแยกไม่ออกเลยนะเพราะหลงมันจัดขึ้นมาที่จริงถ้าหลงแกไม่จัดนั้นแกจักปล้นเฉพาะทรัพย์แต่หนึ่งเพราะปล้นปล้นทรัพย์กับกับปล้นฆ่านั้นโทษมันต่างกันทีนี้ทั้งปล้นทั้งฆ่าบางทีทั้งเผาบ้านก็ด้วยและจบ จบเลยเพราะโมหะมันเต็มนี่คือคือด้านเพิ่มของของกิเลสทีนี้พอด้านเพิ่มของธรรมะท่านต้องลองดูว่าศีลมันเกิดที่มันเกิดสมาธิก็เกิดเพราะในศีลก็สมาธิในศีลต้องมีสมาธิในศีลต้อมงมีปัญญาอยู่แล้วเราต้องมีปัญญาเราจึงรักษาศีนแต่จะถามว่ามันเริ่มจากอะไรที่จริงแล้วมันเริ่มจากปัญญานะมันเริ่มจากปัญญาเพราะเราพิจารณาเห็นคุณของศีนเ<ๆ>ห็นโทษของการละเมิดศีนเราก็สมาทานศีนปัญญาเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ต้นนะพอศีลมันก็เกิดสง กระสงผก็เป็นสมาธิสมาธิมักอดชำ้าล่างปัญญามันก็หมุนหนุนกันอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่อามายกตัวอย่างเหมือนกับกวนขนมมันกวนขนมแล้วคลุกครามครุกรีการเข้าด้วยกันแล้วก็กลายเป็นรสชาติเรื่องอวิชาธรมอวิชาสายเกิดเรืออวิชาสายดับมีลักษณะเช่นเดียวกันก็สาคัญเราเริ่มจากจุดไหนท่านนั้นเองความเข้มข้นจะสูงขึ้นในแต่ละจุดทั้งสายเกิดสายดับถ้าเราเริ่มที่สายดับมันก็ดับไปโดยลาดับถ้าเริ่มที่สายเกิดมันก็เกิดไปโดยลําดับไม่สายของวิชาเองนะทีนี้ ในด้านของสังขารสายเกิดนะฮะสังขารสายเกิดสังขารสายเกิดก็คืออะไรคือบุญบุญนี้เป็นสังขารอย่างหนึ่งนะฮะปรุงแต่งปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายวาจาใจในในในช่วงสั้นสั้นแล้วในช่วงสั้นแล้วปรุงจิตในขณะที่ช่วงสั้นที่สุดปรุงจิตคือจิตที่เป็นกุศลอ่นะ มันก็เป็นเจตสิกประเภทหนึ่งนะขึ้นปรุงจิตจิตที่ประกอบด้วยบุญอยู่ด้วยมันก็ปรุงแตง่งจิตอยู่ไปในขณะนั้นมันก็เกิดแต่อย่าลืมว่าการบุญมันยังมีอวิชชาอยู่นะอวิชชายังมีอยู่เพราะว่าอาวิชชาจะมีแม้แต่พระอนาคามิยังมีอวิชชานะมีพวกเดียวเท่านั้นยังไม่มีอวิชชาพระอาหารหันต์เท่านั้นอวิชชาจึงยังเป็นพบอยู่บุญนั้นสมหรับคนที่มีชาติมีพบแต่อย่าลืมว่าบุญนะั้มันถึงโน้ น, นอนิจจบนะ เรามาโลก16ชั้นนะเรามาโลกขึ้นไปดังิบหกชั้นยังอยู่บุญทางนั้นนะฮะพวกนั้นบุญทางนั้นเลยก็บาปอันนี้แน่นอนนะฮะแน่นอนเป็นสังขารมันก็ปรุงอีกรูปหนึ่งนะปรุงจิตในแต่ละขณะแล้วก็ปรุงพฤติกรรมออกมาจากกระแสะของบาปบาปมันเกิดที่จิตแล้วก็ปรุงพฤติกรรมออกมาเป็นพูดก็าบาปทํำก็บาปก็ปรุงออกมาเรื่อยจนถึงปรุงเป็นรูปประคันเป็นนามเป็นรูปอย่างที่ท่านแสดงเนี่ยแล้วก็อเนญชาพิสังขาร อันนี้มันก็ปรุงอีกอย่างหนึ่งคือปรุงจิตให้มีเกิดความสงบระงับดับกิเลสลงไปที่สมมติว่าท่านบรรลุอรูปฌานสีใช่มฮะมันก็สงบนิวรณห้าได้บรรลุถึงอรูปฌานจิตมันก็ประนีตขึ้นไปโดยลำดับแต่ว่ยายังเป็นภพอยู่นะครับยังเป็นภพอยู่เพราะฉะนั้นในแง่นี้มันก็ปรุงให้เกิดเป็นภพอย่าลืมข้างหลังนะฮะอย่าลืมข้างหลังช่วงช่วงหลังๆที่ว่า อะไระตัณหาเป็นปัจจัยเกิดรูปธาตุรูาทานเป็นปัจจัยเกิดภพนะฮะเพราะงั้นภพทรงนี้หมายถึงสังขารเราภพด้วยหรอที่ยุดครองจิตที่ปรากฏในขณะนั้นมันก็เป็นภพเจนว่าจิตมีความอยากโลภจัดมันก็เป็นเปรตนะอยากจัดชิ้วไม่มีที่สิ้นสุดที่อยากเป็นเปรตปาทะะ่ารูเข็มท้องตับบุเขาอ่ะมันก็คิ้วมันก็กาหายจากมันก็โลภ ก, ก็จิตก็เป็นเปรตในขณะนั้นจิตก็ข้าภพก็อยู่เป็นภพ มันก็เป็นสังขารแล้วก็ปรุงจิตอยู่ด้ว ย, ด, วยด้วยอารมณ์อย่างนั้นด้วยความอยากอย่างนั้นหรือจิตประกอบด้วยความหลงมันก็เหมือนกับสัตว์ดิบชาดด้วยความหลงวามไม่รู้อะไรเนี่ยจิตประกอบด้วยโทสะมีความร่าเรอนแผดเผามันก็เหมือนกับตกนรกเวลานั้นถ้าลองดูนะฮะจิตที่ประกอบด้วยโทสะแล้วเป็นนรกชัดๆเลยโกรธมากก็เป็นนรกมากเลยก็สร้างเราสร้างนารกขึ้นเป็นพบทางจิต อย่างแนวที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านอธิบายเนะที่จริงมันก็ตรงในแนวหนึ่งนะขณะสั้นที่สุดมันก็ตรงแต่ว่าขณะยาวท่านไม่ได้พูดถึงเลยเพื่อนก็นึกว่าท่านท่านไม่พูดนี่ท่านก็บ่นฝากฝากลูกศิษย์มาให้มาท่านบอกมาคนก็บ่นว่าเราไม่ช่วยต่อต้านคิดที่จริงเราก็ต่อต้านอยู่ทุกวันนะคนยังว่าเราอีกคือคื อ, ค, อคือว่าท่านพูดบางทีคนฟังไม่เข้าใจนะแต่ว่าพวกเรานี่ยเราเข้าใจเราเข้าใจว่าท่านพูดนั้นหมายความว่าอย่างไง ชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าใจเนื่องจากมันลึกซึ้งเกินไปนะที่จริงหลวงพอ่อพุทธทาสมันต้องพูดอีกระดับหนึ่งนะไม่ควรจะออกมาออกโทรทัศน์วิทยุหรอกไะชาวบ้านมากฮะไอภาษาโทรทัศน์ภาษาวิทยุมันต้องเป็นภาษาอย่างหนึ่งเป็นภาษาที่ง่ายๆเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาคนฟังปุ๊บเข้าใจทันทีนักปราชญ์มองเห็นได้นัยยะทั้งส่วนลึกทั้งส่วนกว้างทั้งส่วนยาวละเอียดของอกระบวนการทางสิ่งเหล่านั้นทั้งทั้งได้ด้วยภาษาง่ายๆคนธรรมดาทั้มันก็จะเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ ทีนี้บางบางทีหลวงพ่อท่านใช้คายากไปต่นนั้นเองมันไม่ไม่มีปัญหาอะไรละทีนี้ไอ้สังขารเนี่ยมันก็เป็นสังขารพอปรุงมาปรุงมัก็เกิดรวมกัน2 อ, อย่างนะฮะเกรวมกัน2 อ, อย่างมันก็กลายเป็นวิญญาณกลายเป็นวิญญาณคือเป็นปฏิสนธิวิญญาณนะฮะเป็นปฏิสนธิวิญญาณที่จะถือกําเนิดไปเกิดในตามแรงตามแรงปรุงกันสังขารตามแรงปรุงของสังข า, าร สังขารอะไรเป็นตัวปรุงนี่เราเห็นได้ชัดนะฮะมาในเรื่องของกรรมแล้วท่านตอนนี้ก็คงจะฟังเรื่องเบตวัตถุวิมานวัตถุอยู่บ้างน ะ, ะบางทีซ้ําบ้างเพราะว่าคนพูดไม่มีเวลาอัดเทปแต่อย่างไรก็เราจะเห็นว่าขณะเนี่ยขณะเนี่ยมันจะปรุงจิตของเรามีกรร ม, มารม์มีกรร ม, มนิมิตารม์มีกรร ม, มารมณมีคตินิมิตารมคือมันจะปรากฏแก่จิตของบุคคลในขณะ น, นั้นก็คือปรุงสังขารก็ปรุงปรุ ง, รงก็ตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวกําหนด เป็นตัวกำหนดนามารูปพระนามารูปจะออกมาในลักษณะยังไงก็ตรางกับอะไรตรงกับรำย่อมจำแนกแบ่งแยกสยัตว์ให้เลีวแลียบร้อนี่แต่ต่างกันมันลงตัวกันหมดเลยผมไม่รู้ว่าไม่ว่าจะโยงไปตรงไหนมันลงกันหมดเลยที่ของร พ, พระพุทธเจ้าพระราชพระพุทธดํารัดไม่มีความมิป ร, ริตรแต่ว่าถ้อยคํานั้นอาจจะเปลี่ยนนะฮะอย่างที่มาบอกว่าอย่าติดในรูปแบบแต่ให้เอาสาระเอาเนื้อหาของสิ่งเหลนั้น มันคล้ายๆกับว่าอาหารเนี่ยฮะถ้วยมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะถ้วยน้ําพริกน้าพริกคนคนคนทำคนเดียวก็เปลี่ยนถ้วยไปเรื่อยแต่ว่ารสชาติมันก็คือคือน้าพริกที่คนนั้นเขาทานั่นแหละธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโดยอัดถาแล้วเป็นอย่างเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะอะไรนะฮะไม่ว่าจ ะ, ะวิริยิทธิบาศวิริยะในอิทธิบาศวิริยินรีวิริยาพัละวิรชิชยโพชจงสมาวยายมะเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกัน แต่ว่าเป็นการพูดเน้นในจุดเด่นของเขาในชั้นของวิริยะที่เป็นอิทธิบาทนั้นคือฐานที่จะให้เกิดความสำเร็จในในวิริยินซี์ก็พูดในเหนือเหนือความเกียดคร้านในวิริยะเขาพูดในฐานะทําลายความเกลียดคร้านในสามพมูดชงเขาถือว่าพูดในองค์ของสัมมาวายามะที่จะฆ่าปฏิบัติทางกิตเทานั้นเองนะมันก็พูดชื่อกิเลสอย่างที่บอกกิเลสพันห้าระหนัแปดเหมือนกันนะฮะพูดถึงอาการเขาเท่านั้นเอง ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะมากมายขนาดนั้นเราก็มารุมมาต้มกันใหญ่ ย, ยุ่งกันหมดเลยกิเลสต้องพันหมาเต็มหัวไปหมดเลยมาทุกทิศทุกทิศทางเราก็มั่วไปหมดที่จริงก็ไม่ใช่ล่ะ ม, มันมันเชื่อมโยงมาจากโลกดลก ง, งนั้นเอี่จริงก็เชื่อมโยงมาจากอวิชชาเมื่อเกิดเป็นนามารูปนามารูปจะประนีหรือเลวมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมย่อมจําแนกให้ศาสตร์เลวและประนีแตกต่างกันก็ปัญหาว่าอาวิชามากหรือน้อยนะฮะวิชามากหรือน้อยถ้าวิชามากมันก็สังขารก็เป็นบาปมาก เป็นบารมากไอ้รูปนามรูปมันก็หยาบแล้วก็กลายเป็นอบายภูมิมันออกมาเป็นรูปภูมิต่างๆทีนี้ถ้าอาวิชชาเข้มข้นน้อยหน่อยนะวิชาปรากฏอยู่ในอวิชชานะมากสังขารมันก็เป็นบุญมากหรือเป็นเนรชามากก็แล้วแต่นะฮะเป็นรูปเป็นฌานแต่บางก็ยังเป็นสังขารอยู่นั่นแหละเนื่องจากมันมีตัวญาณหรือปัญญาหรือวิชาอยู่มากไอ้ภพชามันก็ประณีตขึ้นนามรูปก็ประนีต ก็อยังยังที่เคยเล่าเรื่องอะไรแล้วจุลกรร ม, มวิพังกันสุดนานเนะนี่นะฮะนี่รู้สึกแค่สองปีสปีคือที่ที่ที่พระนางสุมาณเทวีราชิตดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลถามพระพุทธเจ้านะี่ยว่าทําไมคนเราเกิดมามีผิวพรรณสา ม, มีผิวพรรณดีนะพระพุทธเจ้าแสดงว่าถ้าคนมักโกรธได้จะเกิดมาจะผิวพรรณซามซึ่งก็หมายความว่าอาวิชามันมาก วิชามากตัวสะก็มากโทวสะก็มากสังขารก็เป็นบาปมากเป็นบาปมากพอปรุงออกมาเป็นนามรูปนามรูปมันก็หยากแล้วก็ออกมาอย่างนั้นอ่ะมันเป็นกระบวนการเขาอ่ะเป็นกระบวนการเขาก็ลากออกมาเป็นแถบอ่ะซึ่งในนามกระบวนเหล่านี้ฮะอาจมาออกโทรทัศน์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองนะฮะหนังสือพิมพ์ยังอุตสาเอามาด่าเล่นหนังสือพิมพ์แนวนาหน้าอุตส่ามาด่าเล่นแต่เราอธิบายในเชิงกระบวนการไอ้สิ่งท่งางๆนะั้นมันเป็นเรื่องของกระบวนการ คือเขาพูดตัวมาพระทุกวันในไม่ไม่เรียบร้อยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่อะไรเนี่ยมาบอกว่าจริงแต่ว่าความเร็วไามของพระเหล่านั้นก็ไม่เกินสมัยพุทธกาลแต่เอาก็จริงแล้วนะพระสมัยนี้ดีไม่ถึงพุทธกาลแต่เร็วก็ไม่เกินพุทธกาลเพราะว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วพระเทวทัตไดกริ้งหินเองเลยจ้างคนยิงเองเลยสมัยนี้ไม่มีใครวางแผนฆ่าสังหราชเลยเพราะนไอเรวนี่ไม่ถึงสมัยนั้นแต่ดีแน่นอนเราก็ไม่ถึงสมัยนั้น แต่มาพูดว่าให้มันเกิดความรับผิดชอบว่าไอ้สิ่งทั้งหลายนั้นท่านทั้งหลายมันก็เหมือนกไอน้ําไหลฮะน้ําคุณไหลลงมาไหลลงมาจากเหนือไอ้ข้างล่างมันก็คุณตามไปด้วยถ้าน้ำใสไหลไหลามาเรารับรองเขาบอกว่าน้ําที่กรุงเทพมันคุณเหลือเกินก็ให้ให้ข้างบนมันใสลงมาดูแล้วจะทําน้ำใสที่กรุงเทพให้ดูเลยก็ข้างบนมันคุณมาด้วยนี่นะก็มาถึงกรุงเทพมันก็คุณบวกคุณเข้าไปมันก็คุณมากขึ้นแต่นั้นเองทีนี้ เขาพูดถึงว่าพระไม่เรียบร้อยอามาก็เล่านิทานในฝังไม่ใช่นิทานอะ่ะที่จริงอามาไปตอบปัญหาครูในที่หนึ่งนะครูก็บอกว่าไม่ไหวหพระเดี๋ยวนี้เทศอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องตะกุกตะกักฟังไม่รู้เรื่องเลยคนไม่เข้าวัดอ่ะคนหาเรื่องจะไม่เข้าวัดแล้วต้องด่าพระฮะคือคือคื อ, คอมันก็สบายดีปลอดภัยดีที่จริงฉันก็อยากเข้าวัดอยู่นะแต่ว่าพระเทศไม่น่าฟังเลยฉันไม่เข้าก็ทางนั้นเองแล้วมาก็ถามว่าครูถามนี่มันรับผิดชอบขนาดไหน ครก็นึกไม่ออกนะฮะถามพระครูคิดหรือเปล่าว่าพระจะเป็นใครแกก็ไม่ตอบอีกถามพระครูคิดหรือเปล่าว่าพระก่อนจะมาบวชในวัดนี่มาจากไหนก่อนตอนนี้แกคิดออกมาจากโรงเรียนก่อนเพราะว่ใช่มาจากโรงเรียนก่อนาาโรงเรีย น, นรเรีย น, น63 3ามปีเรียนอยู่ในโรงเรียน12ปีแล้วมาบวช7วันไอเรียน12ปีอ่านหนังสือไม่ออกแล้วมาบวชเวันจะออกได้ยังไงแล้วมไม่ใช่นิรามิตรเอาได้นนะไม่ต้องให้เวลาเราหน่อยสิ แต่ถ้าเราบวชสิบสอปีแล้วถ้าอ่านหนังสือไม่ออกแล้วค่อยมาว่าให้เวลาเราเท่ากันเราไม่เอาเท่ากันเราขอครึ่งเดียวเลยเอาเขาเรียนมันสิบสอปีเราขอหปีแล้วอามา ร, รับรองเลยว่าถ้า6ปีแล้วอ่านไม่ออกแล้วค่อยว่ากันนี่คือเราต้องรับผิดชอบว่าปัญหาต่างๆนั้นมันเป็นเป็นเงื่อนไขาทางสังคมท่านทั้งหลายว่าถ้าลักษณะทางใจของคนมันวิกฤตสังคมมันจะวิกฤตและจะวิกฤตไปทุกหยุดเราดูตอนกรุงแตก กรุงแตกนั้นเพราะสถานการณ์มันวิกฤตเนื่องจากอารมณ์พลมันวิกฤตแล้วทุกอย่างมันวิกฤตไปหมดเลยพระมันก็วิกฤตตามไปด้วยพระมันก็ต้องโจงกระเบนรบกับป่าไปเลยหายไปเลยมันก็วิกฤตไม่กระทำยังไงล่ะลักษณะมันวิกฤตมันเป็นเงื่อนไขทางสังคมเพราะงั้นเราต้องมองสังคมด้วยความรับผิดชอบเพราะถ้าสถาบันครอบครัวสร้างลูกดีอบรมลูกดีเราจะมีนักเรียนดีแล้วเมื่อโรงเรียนอบรมบ่มนิสัยนักเรียนดีเราจะมีพระดี มันก็เป็นอย่างงาั้นนะ่ะเป็นเงื่อนไขธรรมดาเนไม่ได้มาจากไหนนี่ก็มาจากแหล่งเดียวกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอามาก็บอกเงื่อนไขต่างๆบอกเงื่อนไขยอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าสมมุติเรามีลูก3ามคนไอ้คนโง้อที่สุดนี่ยจะให้บวชอะคนง้คนซนคนเชี่ยวคนไม่เอาไหนคนติดเฮโรอีนให้บวชออคปากพระก็ตัดทางปล่อยวัดอะไรความคิดมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วคติไทยเนี่ยอะไรไม่ไมดีก็โยนวัดอะไพระคอหักเป็นแถวเห็นนะคระับ ศารต่างๆที่หักที่พังที่อะไรแต่ไรพระขู่บินอะไรแตร่เโยนวัดทั้งนั้นแมวไม่ดีก็ให้วัดหมาไม่ดีก็ให้วัดอะไรไม่ดีก็ให้วัดอะพอลูกไม่ดีก็ไว้ให้ให้วัดนี่คือจริงๆเป็นจริงๆในสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าอามา ก, ก็บอกว่าเราจําเป็นจะต้องรับทําไมศาสนาต้องรับเมื่อเขาทอดทิ้งศาสนาต้องมีกรุณามากขึ้นแต่ชิคนเหล่านั้นจะ ต, ต้องให้เวลาเราด้วยเราจะต้อง พยายามเลี้ยงคนเหล่านี้เอาไว้อย่างน้อยที่สุดก็แกก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมแหละแต่าศาสนาต้องอบอุ้มเมื่อคนอื่นก็ทิ้งาศาสนาต้องข้าบอบาศาสนาต้องมากด้วยกรุณาเราจะทิ้งคนเหล่านี้ไม่ได้บอกอ๋อไม่เอา่เด็กโ ง, ง, ง่เด็กไม่ฉลาดไม่เอาไม่ได้าศาสนาต้องอบอุ้มคนเหล่านี้เพราะาศาสนาพระพุทธเจ้าต้องมีกรุณณาดุดพ่วงมานะเนาะคนเขาไม่เอาแล้วเราต้องเอาเพราะถ้าเราไม่เอาจะอีกคนแล้วจบเลยแล้วใครจะเอา่ งั้นก็จําเป็นคนเหลเ่านี้ต้องปะพนอยู่บ้างแล้วหนังสือพิมพ์ก็มาด่าลงหนังสือพิมพ์แนวหน้านี่เมื่อคืนเมื่อเช้ามืดนี่มีนายพลคนหนึ่งเดือดร้อนมากอัตมาบอกว่าคนบางประเภทเขาเห่าก็ให้เขาเห่าไปเราไม่เห่าตอบถ้าเราเห่าตอบเราก็เป็นเหมือนเขาคือต้องเห่าตามคือก็ปล่อยเขาว่าไปแต่นี่คือกฎปัจจญาการนะท่านต่างหลายจะเห็นว่าเป็นกฎปัจจญาการมันเป็นเงื่อนไขที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันในสังคมนะเราต้องรับผิดชอบต่อทุกอย่างในสังคมมันเป็นผิดผลทางสังคม ข้าราชการทุจริตแลกประชาชนทั่วไปนะดีนักเลยก็ข้าราชการก็คือประชาชนประชาชนก็คือข้าราชการนะถ้าถ้าประชาชนดีแล้วก็ข้าราชการมันก็ดีแหละแต่เมื่อประชาชนไม่ดีข้าราชการก็ต้องไม่ดีตามไปมันเป็นผิดผลทางตงกลงแต่เมื่อประชาชนส่วนมากเป็นคนดีเพราะฉะนั้นข้าราชการส่วนมากจึงเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนเลวเพราะถ้าเลวจริงจิงบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ก็พูดตามตามเหตุผลปกติธรรมดาเนี่ย แทบนี่คือฮามากเลยนคนขออัดกันเป็นแถวยังไม่หยุดเลยทั้งที่กรรมาธิที่ที่ไหนที่ไหนเนี่ ย, นนญญยก็นั่งซื้อเพียงอยู่กูซาด่าันได้ ก, ก็ก็ดีนะฮะคือแสดงว่าเขาสนใจเราถ้าเขาไม่สนใจเราก็เขาไม่ด่านะฮะก็คือว่าการพูดที่เราต้องต้องยอมรับทั้งด้านบวกด้านลบ <laughs> ด้านบวกด้านลบ <laughs> แต่ว่าบางทีมันก็มาบิดเบือนอะไรแรงไปหน่อยนะฮะ แล้วก็ดูคล้ายๆกับหาหัวขอกมาพูดถึงอัตมาแต่ต้องการจะพูดคนอื่นนะเพราะเขเน้นอักสอนในเเน้นที่อื่นไม่ใช่เน้นที่คำพูดมากระชาคคำว่าวัดใหญ่มีชื่อเสียงข้างวัดบรอ น, นวันก่อนนี่มีอยู่ทีหนึ่งแล้วพวกนี้คือไอ้พวกไม่รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยวันก่อนนี่มีทีงแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขนาดทหารต้องเข้าไม่ให้ออกอากาศเลยคนนี้ พูดรวัดบวรเนี่ยพูดไม่ต้องขานนากคำนองนั้นคือมีเทปใสไปแล้วก็เปิดเทปเอาว่าให้เทปว่าแทนดู้มันพูดไปได้พูดไปได้ขนาดนี้ออกอากาศนะพวกลูกศิษย์วัดเก่าวัดวรก็โกรธก็สืบต้นตอได้แล้วก็สั่งห้ามออกอากาศพวกนายทหารครับมันบ่นทําลายศาสนากันขนาดนี้นะคนเวลาเนี้ยก็เรียกว่าเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีกันแล้วกันพยายามที่จะบ่นเบียนทําลายให้เกิดขึ้นได้ นี่ก็เป็นปัจจญาการทางสายวิชาเหมือนกันนะฮะที่จริงยังไม่ออกจากอวิชานะเพราะสังขารมาเกิดเป็นบาปนะอวิชามันมากสังขารมันก็ปรุงขึ้นเป็นบาปเป็นเป็นเป็นอปุญญาเป็นสังขารมากนามรูปมันก็หยาบพฤติกรรมต่างๆนั้นก็เป็นนามรูปหยาบนี่ก็เพราะงั้นเราจะเห็นว่าพวกนี้มันมันดูได้เป็นช่วงช่งยาวช่วงกลางช่วงสั้นช่วงยาวเหยีิดในสังขารวัตรดูช่วงไหนก็ได้มันจะเป็นเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกันอยู่ตลอด ทีนี้ยังยังสมมุติว่าคนที่มีสติปัญญาดีมีสติปัญญาน้อยพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตัวสังขารให้ดูซึ่งก็หมายความว่าเกิดเกิดขึ้นมาจากแรงอวิชามากหรืออวิชาน้อยเหมือนกันพระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่โง่เขลาเบาปัญญานั้นเพราะตกเป็นทาสของสุราแต่คนที่ไม่โง่เขลาบาปัญญานั้นเพราะยินดีเข้าหาธรรมนชัชีพราหมณ์ศึกษากนักปราชญ์สนทนาไต่ถามสอบถามเพิ่มพูนความรู้อยู่ในดูเราดูสังขารตรงนั้นมันก็ผิดกันแล้วนะ ผิดกันแล้วอวิชาจางอาวิชาเข้มข้นต่างกันแล้วเพะมาเกิดเป็นนามรูปคือเป็นเป็นในวงการใหญ่วงวงกว้างจริงเป็นเป็นเพราะมันก็แตกต่างกันอีกเพราะงั้นหลักทั้งหมดนั้นจึงเป็นหลักที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ตลอดไปสังขารความเปลี่ยนแปลงของสังขารขึ้นอยู่กับตัวบนคือความเปลี่ยนแปลงของอวิชาก็คล้ายๆกับความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ําลำธารเนี่ยมาขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของฝนฟ้าอากาศ ถ้าฝนมันตกลงมาถ้าน้ํำในลําทานเต็มนะฮะน้ำในบึงหนองคลองต่างๆมันก็เต็มแล้วก็พอมาถึงแม่น้ํามันก็เต็มตามไปได้แต่ถ้าข้างบนมันลดนะฮะขล่ามันก็ลดตามลงไปด้วยเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหล่านี้นี่คือปัจจัยการที่เป็นอยู่มีอยู่อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นแต่ว่ากฎธรรมชาติเหล่านี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะงั้นนามารูปจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอวิชชาถ้าวิชาจางลงไปวิชามากขึ้นนะฮะ วิชามากขึ้นก็แสดงว่าสังขารมันก็ประณีตขึ้นคือหมายความบุญสูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นพอสูงขึ้นมาเป็นนามรูปนามรูปก็ประณีตขึ้นคือเกิดสมมุติเอาเอาเกิดจริงๆเลยนะฮะเอาช่วงยาวจริงๆฮนะมันก็เกิดในภพในชาติที่ประนีตขึ้นมันก็กลายเป็นภพถึง31มบดภพด้วยกัน31มสิบเภพก็เกิดขึ้นมาจากอะไรความต่างของวิชาความต่างของสังขารกลายให้เป็นความต่างของภพ อย่างที่มายกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเราดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะว่าว่าอาวิชามากอาวิชาน้อยอวิชามากจำฮะวิชามากไอตัวสังขารคือพฤติกรรมต่างๆมันก็เป็นบาปมากไม่ดีมากโง่มากเขรัมากไม่สามารถมากไม่สามารถมากแกจะได้นามาลูปคือจะได้จะได้นามารูปก็ก็ไม่ดีได้ตําแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่ดีแล้วคนคนเราเวลาไป สมมติว่านี่สมมติว่าคนออกจากโรงเรียนจะไปเป็นรับราชการปัญหาว่าออกจากสถาบันไหนสถาบันไหนสถาบันที่ความรู้สูงนะฮะรู้สูงแกจะได้พบที่สูงได้ําแหน่งข้าราช ก, การที่สูงชั้นที่สูงบางทีเพื่อเดียวก็เป็น444สหแล้วบางทีก็ตายตา ย, ตายอันดับเดียเดียบมาจากสีหนึ่งเป็นลูกจ้างไปก่อนอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ปริมาณของความรู้นี่เราเราดูช่วงทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปสมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนะ แต่ว่าความรู้ระดับนี้เป็นความรู้ระดับยาตะเป็นยาเป็นความรู้ระดับแรกของชาวโลกเนี่ยพอมาถึงนามรูปก็เสร็จนามรูปก็ต่อไปก็เป็นสลายัตนาะไอ้สลายัตนาก็ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแปลกรูปลักษณะก็แปล ก, กัน้ออัตนาแม้แต่หูคนก็ไม่เหมือนกันก็แปรหูอย่างเดียวกยังไม่เหมือนกันเลยอัยตนะเนี่ยแล้วก็ประสิทธิภาพของหูของตาของจมูกของอะไรตไก็ไม่เหมือนกัน ก็ไม่เหมือนกันเลยประสิทธิภาพด้านตาด้านหูด้า น, าา น, านจมูกบางคนอายุ80ยังถอดแว่นอ่านหนังสือไม่มีแว่นอ่านหนังสือสบายเลยนี่จะแสดงอ่าประสิทธิภาพของอยายุทะก็ดีในเชิงรูปธรรมนะในเชิงรูปธรรมนี่ก็มีความแตกต่างกันแะเพราะอะไรเพราะตัวสังขารอีกเลยตัวสังขารที่มาหนุนนั้นแตกต่างกันสังขารที่มาหนุนนั้นแตก แตกต่างกันอย่างวันณะก็แตกต่างกันผิวพรรณก็แตกต่างกันอะไรอะไรก็แตกต่างกันแก่ก็แก่ไม่ไม่เท่ากันนะฮะกว่าอายุ60บางคนออกมานั่งเรียงแถวกันเนี่ยบางคนเหมือนกับน้าก็อีกคนหนึ่งทั้งที่หกสิด้วยกันเพราะอะไรเ่ยมันเงื่อนไขของสายปัจจญาการทั้งหมดสายมันก็มาเป็นแถวมาเราคิดช่วงสั้นช่วงยาวก็ได้ดูช่วงสั้นช่วงยาวก็ได้ช่วงทียิบในขณะจิตก็ดูได้ทั้งช่วงนหะเพราะอายตนะทีนี้ไอ้ผัสสะก็อีกเลยฮะ ท่านจะเห็นว่าผัรษะเราก็แตกต่างกันทําไมมันแตกต่างฮะเพราะตัววิชาะฮะอวิชาถ้าสมมุติว่าอวิชาเราน้อยนะฮะสังขารเราก็เป็นกุศลมากเมื่อสังค ળ มากนามรูปเราก็ปราณีตนามรูปเราก็ปราณีอายตนเยตะเราก็ดีอายตระรังก็ดีพัรษาเราก็ดีเราก็เกิดอยู่ในแวดวงที่ดีนะฮะ แต่แต่ว่าบางทีมันก็ขึ้นมาวิชามากอาวิชามากสังขารที่เป็นบาปก็มากสังขารบาดนารูปก็ไม่ประนีตนารูปก็ไม่ประณีตอายตนะก็ไม่คดีมาก็ดีก็เกิดไปอยู่ในแหล่งที่ไม่ดีนะสัมผัสในแต่ละวันเราก็แย่เลยตื่นก็นมาถึงมีแต่เสียงด่ารอบทิศทางเลยแต่บางวันไม่ฮะตื่นก็นมาถึงสบายบางคนตื่นก็นมาถึงสบายเพราะอะไรเพราะภัสสะเราดีวันแต่วันมันโยงมาจากข้างบนนะมันโยงมาจากข้างบนนัอย่างเจ้าชาจิตธัตถะนี่เราจะเห็นว่าอวิชชาท่านน้อยนะ พระาทาน้อยสังขารเป็นกูศลระดับปัจฉิมวัพเบิกษัศาสตร์นามรูปงามยอดชายเลยนะไม่มีใครงามเท่าพระพุทธเจ้านะฮะประชนอายุห้าสิบกว่าแล้วสาวยังคลั่งคล้ายอยู่เลยนางมาคัริยายังไปมองเหงาอยู่เลยพระผู้จาเองยังไปมองพระราหุลเองนะพระราหุลเองยังมองชื่นชมอ๋อพระพุทธองค์นี่ ง, งามจริงเดินเดินตามหลังไปนะพระพุทธเจ้าตอนนั้นประชนอายุสี่สกว่าแล้วงามจริงพระอาจารย์เดินตามหลังตอนมอง เขมองไปมองมาไอเราก็ไม่ย่อยอย่างเงี้ยลูกพ่อเลยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องหยุดเทศเลยพระราหุลเกิดหลงรูปขึ้นมาพระพุทธเจ้าต้องหยุดเทศเลยรู้ความคิดพระราหุลคิดอะไรพนระพุทธเจ้ารู้กําหนดความคิดพระราหุลอยู่ตลอดเลยก็หยุดเทศแต่ว่าก็ไม่แสแดงให้รู้ว่าพระองค์รู้ความคิดนี่เราจะเห็นว่าเพราะอะไรเพราะอภิชามันจางนะครวิชามันจางก็เกือบหมดแล้วนะฮะสังขารก็เป็นกุศล สังขารเป็นกุศลนามรูปปณัณณีเป็นสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะดูพระพุทธเจา้าเห็นได้ชัดเลยนะนามรูปปณัณณีสลาญาติะปัณณีพระพุทธเจ้าพระชนมายุ80พระเนตรยังแจ่มใสได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกทุกไอ้อายตนะทั้งหมดนะฮะอายตนะทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยติีนี้พระสะที่พระองค์รับก็ประณีนะคนแวดวงแวดล้อมพระองค์อยู่นี่ทุกอย่างวันนี้หมดเลย ตั้งแต่หนุ่มๆ ม, มาเลยตั้งแต่เด็กไม่ใช่ตั้งแต่หนุ่มๆ ม, มาตั้งแต่เด็กแบเบาะมาเลยพระพุทธเจ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่ารื่นรมยินดีทั้งหมดแต่อย่าลืมตัวตัวสืบเนื่องสืบเนื่องมาจากโน้นเนี่ยนี่ช่วงยาวนะพูดช่วงยาวสุดเนะี่ยช่วงยาที่เป็นสังขารคือข้ามภพข้ามชาติกันไปเลยทีนี้พอภรรษะมันเกิดประณีตนะฮะเวทนามันก็เป็นสุขเวทนามากกว่ทุกเวทนาก็ธรรมดานะฮะ โยมจะเห็นว่าแต่ละวันถ้าเราพบเรื่องไม่ดีอเวทนาเราก็เราก็กลุ้มมาปวดหัวตั้งแต่เช้ามืดมาเลยแต่ถ้าเรามีภาษาดีเวทนาเราก็ดีตามไปเราก็ได้สุขเวทนาอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องทะเลาะกันอะไรอไรยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันแต่หาสุขเวทนาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะก็าหากันได้เยอะแย ะ, ยะไปบางทีผัวเมีย อ, อยู่กันมาจนแก่แล้วจะหลงยี่ปีแล้วไม่เคยทะเลาะกันสักคำหนึ่งก็อยู่กันได้นะก็แสดงว่าสุขเวทนามันก็มีแยะเลย แต่อย่าลืมวาอวิชาของคนคเหล่านี้ก็ต้องน้อยนะก็ต้องน้อยตามไปอันนี้เอาช่วงในชีวิตประจําวันเหยียดยาวก็ได้เหยียดสั้นก็ได้นิดเดียวก็ได้นะขณะอย่างที่พูดตะกี้ในเรื่องการนะฮะมันการมันชนกันนิดเดียนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ายังวินาทีหนึ่งมันมีทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันอยู่อยู่ในวินาทีนั้นแหละมันมีทั้งขณะไอปัจจุบันก็มาจอดค่ะคันดันของมันดันของมันเดินกันมาเป็นแถวเนี่ย ของมันเดินกันมาเป็นแถวสมมติว่าสมมติว่าขวดอะไรขวดอะไรูขวดพวกเครื่องดื่มแล้วก็เดินเป็นรางนะไอ้มันเดินช้าไปโดยซ้าไปนะช้าไปเยะนะไอ้ขวดแรกมันก็เป็นอดีตไอ้ขวดที่2มันก็เป็นปัจจุบันขวดที่3ก็เป็นอนาคตขวดที่สองกำลังจะเป็นอดีตขวดที่3กําลังจะเป็นปัจจุบันไอ้ขวดที่4กําลังกําลังจะเป็นอนาคตมันก็ทยอยอยะไรทยอยหลอะไรอย่างเงี้ยเร็วนะเร็วมากเลยถ้าเอาตั้งขณะเลยเร็วมากเพราะงั้นไอ้ช่วงนี้จึงจะพูดได้ทั้งยาวทั้งสั้นแะ ช่วงยาวช่วงสั้นช่วงขณะจิตอะไผู้ดได้ทั้งหมดดูให้ชัดเราก็ดูช่วงยาวเสีก่อนนะดูช่วงยาวเสีก่อนดูไอความแตกต่างเสีก่อนแต่เอาก็จริงๆช่วงยาวเราก็ไม่มีญาณไม่มีปเุเพนิวาสารติญาณที่จะตามระลึกถึงเงื่อนไขปัจจัยต่างๆได้บางทีคนก็สับสนเพราะนั้นก็ดูช่วงสั้นๆเสีก่อนก็ได้ทุกในชีวิตเนี่เพราะอาวิชามันเกิดขึ้นนะสังขารจึงปรุงแต่งจิตของเรา นะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าวิชามันเกิดคือหมายความว่าในอวิชามันก็มีวิชาผนอยู่นะฮะวิชามากหรือวิชาน้อยแต่นั่นเองคล้ายๆกับ น, น้ำนะฮะคล้ายๆกับน้ำ น, นะฮะมีส่วนสะอาดแล้วก็มีส่วนสกรปรกอยู่ในความเป็นน้ําเหล่านั้นแต่บางทีดูโดยตาเปล่ามันก็ไม่เห็นบางทีมันดูตาเปล่าก็เห็นชัดบางทีดูตาเปล่ามีแต่น้ําสกปรกแท้จริงในความสกรปรกนั้นเอามากลางกันจริงมันมีความสะอาดอยู่นะมีความสะอาดอยู่แต่สกปรกมันมากแต่นั้นเอง วิชากับวิชามีลักษณะเดียวกันมันจะปนคลุกคล้ากันอยู่อย่างนั้นว่าอะไรสูงอะไรต่ำเท่านั้นเองในแต่ละขณะของความคิดก็ได้ในช่วงยาวก็ได้ในช่วงค้าพบข้ามชาติก็ได้พอมาถึงเวทนาเวทนามันก็ออกเป็นรูปหในแหล่งเกิดตามผัสสนะในผัสสะมันก็มี6นะฮะอย่างที่เคยบอกว่าผัสสะเพราะอะไรเพราะอายตนะมันหอย่าลืมอายตนะหนะฮะอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะงั้นพอมาถึงผัสสะก็เป็น6เหมือนกัน คือจักขูสัมผัสการกระทบทางตากระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจพอมาถึงเวทนามันก็มีแหล่งมาสามหกแหล่งเหมือนกันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นสุขเป็นทุกข์อีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมว่านี่คือเหตุผลเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลไอแหล่งมานั้นคือตัวเหตุมันแต่ก็มีเหตุที่เป็นผลต่อเนื่องอย่าลืมว่าเรื่องเหตุผลต่อเนื่องท่านทั้งหลายมองในแง่ของเหตุผลต่อเนื่องแท้ที่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นตั้งเหตุทั้งผลแต่เป็นนนนคะณทั้ อย่างว่ายกยกตัวอย่างว่าคนนะฮะคนสามคนพ่อแม่ลูกพ่อนั้นที่จริงเป็นเหตุของลูกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ลูกตีปู่พ่อลูกอ้ปู่พ่อลูกพ่อก็เป็นเหตุของลูกแต่แท้จริงพ่อเป็นผลของของปู่พ่อเป็นผลของปู่แล้วแล้วปู่เองแกก็เป็นเหตุของของพ่อแต่ในขณะเดียวกันแกก็เป็นผลของปู่ทวดก็ก็ก็โยงกันมาอย่างนี้ฮะ เป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลอยู่ในตัวของเขาเองช่วงใดเป็นเหตุช่วงใดเป็นผลเท่านั้นเองเพราะเวทนาถ้าพูดถึงแหล่งมามันก็มาเริ่มที่สลาญาตนะสลาญตนะมันก็เป็นผัสสะเป็นผัสสะก็เป็นเวทนาเพราะงั้นเมื่อพูดถึงแหล่งมามันก็มา6พอเป็นผลมันก็อาจจะเป็นทุกข์ก็ได้เป็นสุขก็ได้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้แล้วก็เจืออมิตรไม่เจืออมิตอะไรต่ออะไรรายละเอียดยอมโยยะจนเวทนามีร้อยแปจนเวทนามีเป็นร้อยแปได้เพราะอะไรเพราะความหลากหลายของอารมณ์ ความหลากหลายของอารมณ์ไปกําหนดอารมณ์ในอดีตอนาคต ด, ด้วยอํานาจของตัณหานั้นตัณหานี้ตัณหาโน้นมันมก็ออกมาในรูปของเวทนาแตกต่างกันมากมายแต่สรุปแล้วก็คือมีแหล่งมามีแหล่งที่เข้ามาหกแหล่งด้วยกันพระพุทธเจ้าใช้คําว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาเป็นต้นนะฮะตาหูจะมองลิ้นกายใจคือไม่ต้องไปนบับยาวๆหรอกจักขุสัมผัสชาเวทนาความเสบยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัย ถ้าไม่มีตาสายนั้นเวทนาสายนี้ไม่เกิดแตยว่ารูปงามๆคนตาบอดเนี่ยเขาไม่สนใจนะฮะอันนี้อันนี้รูปหน้าตาไม่งามอันนี้งามไม่ไม่ไม่ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดสุขเวทนาเพราะรูปงามนะฮะไม่เกิดทุกขเวทนาเพราะรูปไม่งามเพราะว่าแกแกไม่รู้ทั้งงามเลยไม่งามแต่ถ้ามาทางเสียงอาจเกิดนะมาทางสัมผัสเกิด แต่ทีนี้บางทีเราก็เกิดสับสนเองว่าเอ๊ะแกรู้่างๆาจริงไม่ใจรู้ต่างๆมันเกิดจากเสียงบ้างเกิดจากสัมผัสบ้างเกิดจากคําพูดบ้างเกิดเกิดจากคําพูดการแสดงออกต่างๆก็ทำทำนองคล้ายๆกับนี้ฮะคล้ายๆล้าก็เรารู้ว่าตัวนี้แข็งนะโยมก็ชั้นเห็นว่ามันแข็งที่จริงโยมไม่เห็นนะฮะโยมเคยจับมันโยมพูดโดยสัญญาไม่ได้พูดโดยผัสสะพูดโดยสัญญาคือความจําในอดีตเท่านั้นเองเราไม่ได้พูดโดยผัสสะในขณะนั้น เพราะาตาบอกความแข็งไม่ได้ตาบอกความแข็งไม่ได้สัมผัสเทนนเดงจริงจะบอกความแข็งไดเ้เวทนาก็มาจากแหล่งทั้ง6กพอพอเวทนามันเกิดตัณหาตัณหามันก็ออกมาอย่างนั้นเลยครถ้าเรากําหนดเวทนาว่าสุขเราก็มีกามาตัณหาคืออยากได้นะสุขนานๆก็อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ออกมาเป็นภาวะตัณหาพอเกิดทุกขเวทนามันก็เปวิวตาอันนี้ไม่เอาไม่ชอบก็หมุนอยู่นี่ยก็หมุนข้าวตัณหาอีกล้ มวลค่าในกระแสกันตาเพราะแท้กันหาถ้าชอบมันก็เป็นการมุปาฏานยึดของเราของเราคว้ากันมาเรื่อยเรื่อยนะทีนี้ถ้าไปอุปาทานมี4ี่นะตันหา3อุปาทานสี่ตันหาที่จริงตันหา6เหมือนกันตันหาในอารมณ์6เหมือนกันนะฮะก็เกิดมาจากรูปเสียงกลิ่นรสผุตภะเหมือนกันท่านลองสังเกตท่านท่านมีตันหาเจ็ดไฮะตันหาจากแหล่งที่7ไม่มีไม่มีจากแหล่งที่7มี6เท่านั้นเองหกสายเท่านั้น คือคือเราจะตัณหาในสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผุดถ้พระเย็นร้อนนองแข็งนะฮะแล้วก็ธรรมารมเรามีอยู่หแหลง่งไม่มีแหล่งที่7จด ะ, ะลองวิเคราะห์ดูถามจิตดูจะมีแหล่งที่7ดน ะ, ะบางทีเราอาจจะนึกว่ามีแหล่งที่7็แต่ท่านวิเคราะห์ไปอีกทีก็ที่จริงก็พวกนั้นนะฮะพวกนั้นก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับ น, นิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์ห้าเอ๊ะทําไมบันหข้ออันนี้มันโลภโกรธหลงที่จริงนิวรณ์ห้ามันก็คือโลภโกรธหลง ว่าข้อหนึ่งก็คือโลภข้อสองก็คือโกรธอีกสามข้อคือหลบใช่ไหมฮะมันก็กลุ่มกันได้คือย่อยก็ได้เหยียอดออกก็ได้จะย่อเข้าก็ได้อุปาทานมันก็มีสี่คือการมุปาทานถือมั่นด้วยหน้าความใครายแสดงให้เห็นว่าอะไราจากักขุสัมผัสไปพบรูปที่เราชอบใช่มฮะมันก็เกิดสุขเวทนาเกิดสุขเวทนาบังเกิดการมตัณหาเกิดการมตัณหาก็ยึดด้วยการมุปาทานเป็นกระบวนการของมันเป็นอย่างนี้ นี่ก็ข้ามาถึงกระบวนการพอดีกับในกาก็จบเหมือนกันเ ล, กเลยก็หมดเพราะ ง, งั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีต่ออีกทีนะได้ร่มโพธิญาเน้นจะต้องสามครั้งแล้วมั้งก็สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด